บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะาแห่งอาณาปานาสติกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ในหมวดที่ว่าอาาปานาปภ ะ, ะนั้นได้ แ, แสดงถึงขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้ไว้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติอนาปานสติกรมานในชั้นแรกก็เป็นเรื่องให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็ตามก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมแต่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งก็ทรงสอนให้กำหนดกำหนดดูกองลมทั้งปวงหายใจเข้า กำหนดดูกองลมทั้งปวงหายใจออกคำว่ากองลมนั้นหมายถึงจุดที่ลมกระทบและลมลมเกิดและลมกระทบลมหายใจเข้ากระทบส่วนใดถือว่าส่วนนั้นเป็นกองลมตอนออกตั้งต้นจากจุดใดตัว น, นั้นก็เป็นกองลมเช่นเดียวกันและในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกผ่านในจุดใด ก็ถือว่าทรงนั้นก็เป็นกองลมท่านจึงเรียกว่าต้นลมกลางลมและปลายลมหมายถึงการตั้งสติระลึอกอยู่ที่ปลายจมูกริมฝีปากรอช่องจมูกกระห่าไทยและเงื้อนาพีอย่างที่เคยกลาบมาแล้วนี่ชื่อว่าเป็นการกำหนดรู้กองลมทั้งปวงซึ่งหมายความว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้นสติ จะต้องระลึกทันทุกช่วงของลมหายใจเข้าออกถึงแม้จะแบ่งไว้เป็นสามหลั ก, กใหญ่ๆก็ตามแต่สติจะต้องวิ่งไปทันในตอนขาเ ข, ข้าระลึกได้จากจุดที่ลมกระทบแลระลึกตามลมไปถึงอัไทยและเนื้อนาพีตอนลมหายใจออกก็ระลึกจากจุดที่ลมตั้งขึ้นแล้วก็ตามมาจนถึงจุดที่ลมออกไปที่เรียกว่าปลายลมในตอน ข, า, ขาออก แล้เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งลมหายใจก็จะสงบลงการหายใจก็จะเบาลงโดยลําดับพระสงฆสอนให้สําเนียกรู้ถึงกายสังขารที่สงบสงับกรรมกายสังขาร น, นั้นคือสิ่งที่ปรนปลือร่างกายของบุคคลให้ดํารงอยู่จึงตัวหลักก็ได้แก่ลมหายใจเข้าออกวจีสังขารก็คือความนึกคิดเสียก่อน ที่เรียกวิตกวิจารณ์จิตสังขารก็คือสัญญาความจําและเวทนาความสวยอารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพวกของสังขารแต่ในชั้นนี้ก็ให้ดูเฉพาะความสงบระงับแผงกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแม้ว่าลมหายใจจะหายไปคล้ายๆจะไม่หายใจก็ตามแต่ก็ให้ระลึกว่านี่คือความสงบระงับของกายสังขาร ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวแต่ประการใดให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นคือจุดที่ลมเคยกระทบและในที่สุดลมหายใจก็จะปรากฏให้เห็นว่าตนไม่ได้ตายไปแต่ประการใดแต่การที่ลมหายใจสงบระ ง, งับไปในลักษณะนั้นเป็นการแสดงเห็นว่าการปฏิบัติของตนดำเนินมาถูกทางตามที่ทรงแสดงเอาไว้ เมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติผ่านมาโดยลำดับแล้วจิตใจก็จะมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเช่นเดียวกับอารมณ์ของกรรมฐานเราอื่นในชั้นนี้ทั้งก็สอนให้พิจนารณาดูกายทั้งที่เป็นภายในและกายทั้งที่เป็นภายนอกคำว่ากายในที่นี้หมายเอาเฉพาะลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เพราะคำว่ากายแปลว่าที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลสกปรกต่างๆออกมาจากคำว่ากุอายะคือแหล่งที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมเรียกว่ากายแต่เนื่องจากการมานาสิการกรรมฐานาในข้อนี้มุ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกที่เป็นภายในหรือกายที่เป็นภายในก็ได้แก่ลมหายใจของเราเอง ลมหายใจที่เป็นภายนอกและลมหายใจที่เป็นภายนอกก็คือลมหายใจของบุคคลอื่นซึ่งในชั้นนี้ผู้ปฏิบัติอาจจะน้อมนึกไปในอีกแง่นหนึ่งว่าแท้แต่จริงแล้วชีวิตของคนเราก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าก็หมายถึงความแตกดับแห่งชีวิตดนตรีและอาจจะมองไปในมุมอื่นจุดอื่นก็จะเห็นว่า ชีวิตของคนเรานั้นระหว่างมีชีวิตอยู่กับระหว่างความตายมันก็ครึ่งต่อครึ่งคือ50าสต่อห้ทีเดียวอย่างในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนมากในขณะที่หุงต้อมอาหารอยู่หน้าตอแก๊สตาแก๊สอาจจะระเบิดแล้วก็ตายก็ได้ขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วตายไปก็ได้หรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นก็พร้อมที่จะตายได้เช่นเดียวกัน ก็มองเห็นว่าชีวิตนี้หานิมิตหากำหนดหมายอะไรไม่ได้เลยในขณะที่มีชีวิตยอยู่ความแตกดับจะปรากฏขึ้นเมื่อไหอไร่ก็ไม่รู้เป็นการเตรียมใจยอมรับเอาไว้ถึงกึ่งหนึ่งของชีวิตจะ อ, อีกครึ่งหนึ่งหรืออีกภากหนึ่งได้แก่ความตายถึงอาจจะเกิดขึ้นธรรมนัสการโดยนายนีมันก็เข้าแนวของหลักที่เรียกว่าอรณสติกรรมฐานคือการระลึกถึงความตายแต่ถ้าระลึก ไปตามสูตรที่ทรงกาหนดไว้ในชั้นต่อไปก็มองดูถึงความเป็นอันเดียวกันแห่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่าขึ้นอยู่กับกายคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งถ้าหากว่าลมหายใจแตกดับไปชีวิตของคนเราก็ถ้าลมหายใจขาดไปชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายก็แตกดับไปเนื่องจาก คนเรามีการกําหนดหมายในลักษณะที่เรียกว่าสัตตสัญญาหรืออัตสัญญาคือการกําหนดหมายว่าเราว่าคนว่าสัตว์ว่าสิ่งของต่งตางๆเป็นต้นแล้วก็ให้เกิดเป็นตันหาคือความทยานอยากในอารมณ์ต่งตางๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมาฐานข้อนี้เพื่อคล้อยตามบุคคลประเภทตันหาจริตที่แก่กล้าจะมีสติปัญญาอ่อน พิจาร์กหนดสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมด้วยอํานาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจใจก็จะกําหนัดคอยคว้าปรารถนาสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ภายในครอบครองของตนโดยยึดถือว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างหรือเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้แนวเดียวกันนั่นเองคือดดูในจุดที่ใจเคยไปกําหนดว่า เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือเป็นศาสตร์เป็นบุคคลเป็นต้นนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยลมหายใจเข้าออกเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มาประกอบกันและปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากรัชกายคำว่ากรัชกายเป็นภาษาบาลีก็หมายถึงกายของคนเรานี่เอง แต่ว่าแปลว่า ก, กายที่เปื้อนด้วยธุลีด้วยสิ่งที่หมักหอมต่างๆท่านจึงใช้คำใหมายว่าการร่างกายต่อไปก็คือช่องจมูกแล้วก็ใจหรือจิตถ้าหากว่าสิ่งทั้งสามประการ น, นี้ยังมีอยู่ลมหายใจก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหากว่าสิ่งทั้งสามประการ น, นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดทําลายไปแล้วเสียหายไปลมหายใจก็หมดสิ้นไป ลมหายใจจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบหลัก3ประการคือกายช่องจมูกและใจของบุคคลในการเรียนคราวแรกก็อาจจะเรียนกันในตรงนี้มองดูเฉพาะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของบุคคลอยู่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก3ประการนี้ถ้าว่าขาดไปเช่นปัจจัยขาดลมหายใจก็ดับหรือช่องจมูกไม่มีลมหายใจก็ออกมาไม่ได้เข้าไปไม่ได้หรือกายทําลายไป ลมหายใจก็หมดสิ้นปายเป็นต้นคือแสดงว่าแต่ละปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยหลักนี้จะขาดแม้แต่อย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าขาดแล้วลมหายใจก็ชื่อว่าดับเราจะมองเชื่อมโยงเข้าไปหาในส่วนอื่นๆเพราะแท้จริงแล้วสิ่งทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยเป็นการเกาะกลุ่มของเหตุปัจจัยเหล่านั้นตราบใดที่ปัจจัยหลักของความเป็นอย่างนั้นยังมีอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่ายังมีอยู่ แต่ถ้าหากว่าปัจจัยหลักของสิ่งเหล่านั้นเกิดถูกทำลายไปสิ่งที่มีการกำหนดหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆก็ชื่อว่าแตกสลายไปเมื่อพิจารณาอยู่โดยนัยนี้ก็จะมองดูในแง่ที่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามคือมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็ประกอบด้วยรูปกับนามเท่านั้นอย่างลมหายใจเองก็เป็นรูป ตัวใจซึ่งเป็นปัจจัยประการหนึ่งก็เป็นนามสรุปว่าก็ประกอบด้วยรูปกับนามและรูปกับนามเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอีกซึ่งเป็นปัจจัยที่ย่อยออกไปทั้งเป็นนามธรรมาและทั้งเป็นรูปธรรมปัจจัยส่วนที่เป็นอุปการสนับสนุนหรือก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็มีที่เป็นนามธรรมาได้แก่วิชาตันหากับส่วนที่ เป็นนามมรรมก็คือวิญญาณแสดงเห็นว่าปัจจัยทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดเป็นรูปขึ้นมาส่วนที่เป็นนามเองก็เหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยได้แก่วิชาตันหกรรมส่วนที่เป็นรูปนั้นเกิดขึ้นมาจากวิชาตันหากรรมและอาหารส่วนที่เป็นนามก็เกิดขึ้นมาจากวิชาตันหากรรมและปัสส ก็แสดงว่าสิ่งทั้งสามประการสิ่งทั้งสองประการนี้เป็นกลุ่มของปัจจัยย่อยอีกทีหนึ่งแล้วก็มองเชื่อมโยงไปหาสิ่งเหล่าอื่นต้นแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพราะเหตุปัจจัยและแตกสลายไปเพราะเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสื่อมสลายไปมองไปในสิ่งต่างๆซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เกาะกลุ่มขึ้นเป็นรูปกับนามดังกล่าวก็จะเห็นโดยความเป็นนันเดียวกัน และในที่สุดไอ้ใจที่เคยไปกำหนดหมายโดยอำนาจความรักใคร่พอใจยินดีปรารถนาต้องการในสิ่งเหล่านั้นก็จะบรรทอนประบางลงไปมันมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนคนทึ่มองดูทรัพสมบัติของตนที่กาลังถูกไฟไหม้อยู่ในชั้นแรกนั้นอาจจะมีความรู้สึกอะไรห่วงใยยินดเีเสียดายในสิ่งเหล่านั้นอยู่บ้าง แต่เมื่อกําหนดนานไปนานไปในที่สุดก็จะทอดอะไรคือถือว่าไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะป้องกันแก้ไขอะไรได้จิตใจก็จะรู้สึกปล่อยวางทอดทอนในสิ่งเหล่านั้นต่อจากนั้นท่านก็มาดูที่ตัวปัจจัยนี่เองคือดูความเกิดขึ้นของปัจจัยได้แก่ดูจุดที่ลมของเกิดขึ้นลมดับไป ดูจุดที่ลมเกิดขึ้นก็ดูกันมาเรื่อยอย่างนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดก็ไม่ดูแล้วความเกิดดูเฉพาะในส่วนของความดับก็เห็นเป็นความดับในลักษณะที่ชียิบเหมือนกระแสน้าที่ตกลงมาจากที่สูงมีแต่ดับดับหรือเหมือนกระแสไฟหรือเหมือนกับการละลายของน้ำแข็งที่วางอยู่กลางแดดเป็นต้นเป็นการเสื่อมไปในเวลารวดเร็ว แล้วชีวิตร่างกายของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเทียบเคียงตามหลักของพระัยรักดังที่เคยกล่าวมาแล้วซึ่งในชั้นของการปฏิบัตินั้นพอถึงจุดเดิมมันก็ต้องเข้าใจรักทุกทีเลยเพราะเป็นชั้นของวิปัสสนาระดับของการใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาต่เวลาสอนให้ดูนั้นท่านสอนให้ดูในแต่ละจุดเท่านั้นเอง เพื่อไม่ให้จิตของเราวอกแวกกระสับกระสายทีย่อย่างหนึ่งพลังของความคิดจะได้รวมอยู่ในจุดเดียวก็ให้เกิดเป็นปัญญาความรู้เห็นที่ประจักษ์ในสิ่งเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อดูความเกิดดูความเกิดกับความเสื่อมต่อไปก็ดูเฉพาะความเสื่อมแล้วจะเห็นว่าร่างกายเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปคือตัดช่วงของความตั้งอยู่ออกไปพระแท้ที่จริงในขณะที่ตั้งอยู่มันก็เสื่อม มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่กำหนดดูลมหายใจเข้าออกนี่เองเป็นฐานในการกำหนดในการพินิษพิจารณาถึงความจริงแห่งชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาส่วนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจเข้าออกคือสรุปว่ากายทั้งสิน้นเพราะว่าในชั้นหนึ่งนั้นในชั้นของการพิจารณาที่ละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งคำว่ากายภายในกับกายภายนอก อย่างหยาบที่สุดนั่นดูลมหายใจของเราก็ลมหายใจคนอื่นอย่างที่รองลงมาคือดูลมหายใจที่อยู่ข้างนอกลมที่อยู่ข้างนอกก็ลมหายลมที่อยู่ภายในอย่างที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นก็คือดูลมหายลมหายใจซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งจากกายทั้งหมดเพราะว่ากายนั้นไม่ไม่ได้ประกอบด้วยลมหายใจเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีส่วนประกอบอีกเป็นอันมาก แล้วก็ดูที่ลมหายใจเนี่เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ลมหายใจก่อนโดยในยะที่กล่าวแล้วก็ดูในส่วนอื่นอาจจะดูที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่เนื้อที่หนังที่เอ็นกระดูกที่ตรงใดก็ตามมันก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและในที่สุดการกําหนดหมายที่ด้วยด้วยความรู้สึกว่าสัตว์ตะสัญญาคือเป็นสัตว์ด้วยอันตรสัญญา ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหรือแม้แต่ของเราของเขาก็จะผ่อนคลายบรรทาเบาบางลงไปโดยลำดับจิตใจของบุคคล น, นั้นยอมรับถึงความมีอยู่ของกายในแง่ที่เป็นสมมติสัจจะการปฏิบัติในชั้นหนึ่งยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาที่กาหนดหมายที่บัญญัติกันด้วยภาษาของชาวโลกด้ววิารของชาวโลก แต่ในขณะเดียวกันใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่ไปยุติจในรูปแบบต่างๆที่มีการกําหนดหมายในการสมมติบัญญัติกันอย่างที่ทรงแสดงถึงว่ายกตัวอย่างว่าคำว่าบาตรเนี่ยเป็นการสมมติบัญญัติถึงภาชนะชนิดหนึ่งแต่วันาในที่หนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งในที่หนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งอาจจะเรียกว่าปัตตะอาจจะเรียกว่าธารณะหรือจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามแต่ก็หมายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น เพแท้ที่จริงแล้วเป็นการสมมุติซ้อนสมมุติกันขึ้นไอความเป็นบาทเองก็สมมุติไอความเป็นบาทมันก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยชื่อของบาทเองก็สมมุติกันขึ้นว่าเป็นบาทและใครจะเรียกชื่ออย่างอื่นมันก็เป็นสมมุติที่ทับสมมุติซ้อนสมมุติกันไปหลายชั้นเท่านั้นเองจะไม่ยึดไม่ติดในสิ่งที่สมมุติบัญญัติเหล่านั้นแต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติอนุวัตตามคล้อยตามโลกไม่ใช่เป็นคนขวางโลก คือไม่ใช่เพราะว่าไม่ยึดไม่ติดอะไรแล้วก็ทำอะไรไปตามสบายและเลยจะรีดแบบแผนประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะเป็นคนที่ปฏิบัติถูกตรงตามกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆสมบูรณ์ที่สุดเพราะอะไรเพราะความว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั้นได้เบาบางลงไปจากจิตใจของท่านจิตใจของท่านจึงยอมรับถึง ความมีอยู่แห่งกายว่าที่จริงมา่กายมันก็มีอยู่แต่มีอยู่ในแง่ของสมมติดังกล่าวแล้วท่านเองก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ยึดถือในกายเหล่านั้นยอมรับถึงความมีอยู่ของลมหายใจว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ในการระลึกถึงในการเรียนรู้ในความเข้าใจโลกเท่านั้นแม้การยอมรับในสิ่งอื่นก็ยอมรับโดยตรงเดียวกัน ประเด็นตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่บุคคลผู้ปฏิบัติจะต้องแยกให้ออกระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัติสัจจะพราะถ้าหากว่าตกไปในแนวใดแนวหนึ่งเกินส่วนแล้วก็พร้อมที่จะกลายเป็นมิจฉาทิฐฉิได้เหมือนกันถ้าหากว่ากิเลสยังไม่ออกไปจากจิตใจมากพออย่างว่าในขั้นของสมมติสัจจะระเบียบวินัย น, นั้นกําหนดไว้อย่างไรกติกาต่างๆกําหนดไว้อย่างไรในชั้นศีลเป็นอย่างไร ก็ปฏิบัติได้ถูกต้องในชั้นศีลไม่ใช่ว่าพอถือว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและจะทําอันตร า, ายกันได้จะล่วงเกินกันได้หรือว่าสมาทานศีลที่เป็นอุโบ ส, ตสรรถตศีลแล้วจะเกี่ยวข้องกันในด้านเพศได้เป็นต้นนี้ไม่ใช่เป็นอย่างกันเพราะฉะนั้นคือเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของชั้นศีลเรื่องจิตใ จ, จก็เรื่องของชั้นจิตใ จ, จที่ได้เคยมีปัญหาขึ้นในก่อนพุทธกาล ถึงการหลงทางของสมมติสัจจะและปรมัตสัจจะจนกลายเป็นระบบประจาที่มีการเชื่อถือปฏิบัติกันจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นั่นก็คือความเห็นอนัตตามองในแง่ของศัพท์แต่ว่าธาตุที่มาเกาะกลุ่มกันโดยในยะที่กล่าวแล้วนั่นเองแต่ว่าพอมองเห็นอย่างนั้นแล้วก็ละเลยสมมติสัจจะเมื่อละเลยสมมติสัจจะก็กลายกันเป็นการฆ่ากันได้ อย่างในปัญญาที่เราเรียกว่าสีมัสภะวัตขีตาเป็นสงครามรบระหว่างพวกอารยะกับพวกอา ร, อารยันกับพวกอารยันด้วยกันหรือระหว่างสงครามเป็นพี่น้องรบการฆ่ากันตายเป็นนั้นมากที่จริงเป็นการมองในรูปของอนัตตาคือมองโดยความเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นเรื่องศัก์แต่ว่าเหตุปัจจัยเป็นการเกาะกลุ่มการของดินน้ำลมไฟเป็นต้นแต่ก็มองในมุมเดียว แล้วก็ใช้เป็นปรัชญาในการฆ่ากันในที่สุดก็ถือว่าดาบนั้นก็ไม่ใช่ดาบเป็นแต่ศัตริย์วัฏฏเท่านั้นคนก็ไม่ใช่คนเป็นศัตริย์วัฏฏเท่านั้นผู้ฆ่าเองก็ศักริย์วัฏฏผู้ถูกฆ่าเองก็ศักริย์วัฏะดาบก็ศัตริย์วัฏฏทุกอย่างนั้นศักริย์วัฏฏหมดเลยถือว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าและไม่มีคนที่ฆ่า เป็นแต่วัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุเท่านั้นเองจึงไม่มีบาปความคิดในแนวนี้เป็นอะไรมันก็กลายเป็นความคิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิคือนัตถิกะทิฐิปฏิเสธบาปบุญที่เกิดขึ้นในชั้นของโลกีธรรมทั้งหมดดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงต้องมีส่วนสัมพันธ์กับมาตฐานทางจิตใจพราะมาฐานทางจิตใจของผู้ปฏิบัติจะต้องปรับขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่า เข้าถึงความจริงที่แท้จริงตามสัดส่วนไม่ใช่ว่าปัญญาล้ำหน้าหรือความคิดความอ่านล้ำหน้าพื้นฐานทางจิตใจเพราะถ้าหากว่าเกิดล้ำหน้าไปแล้วจะมีอันตรายในจุดนี้เองเราจะมองเห็นถึงผลต่างๆที่ทรงแสดงเอาไว้และทรงได้บรรลุตลอดถึงพระริเจ้าทั้งหลายท่านบรรลุนั้นสัมพันธ์กับพื้นฐานทางใจของท่านเช่นตัวอย่างการระลึกชาติก่อนได้ ของพระอริยะบุคคลทั้งหลายนั้นพื้นฐานทางใจของท่านมาอยู่ในจุดที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าเหล่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานจึงน้อมใจเพื่อระลึกชาติปางก่อนซึ่งหมายความว่าตัวยานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติไม่มีกิเลสแล้ว แต่ถ้าใจยังมีกิเลสอยู่ตัวยานความรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้สมมุติว่าเกิดขึ้นก็จะใช้การนึกชาติได้ของตัวเองนั้นเป็นประโยชน์ไปในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเช่นตัวอย่างสมมุติว่าลูกหนี้ของคนอื่นระลึกชาติได้แล้วก็บอกว่าเจ้าหนี้นั้นแท้ที่จริงในชาติก่อนก็เป็นลูกของเขาเองเพราะงนั้นในชาตินี้ก็อย่าเอาเลยเงินที่ยืมมาเป็นต้นในที่สุดมันก็ยุ่งยากหมดเลย เกิดสับสนหม ด, หมดเลยยิ่งทิพยจักษุคือตาทิพที่สามารถมองเห็นสิ่ง ต, งต่างๆได้แล้วก็จะไปกันใหญ่เพราะถ้าหากว่าใจไม่ได้มาตรฐานคือยังมีกิเลสอยู่ตัวยานก็จะไม่เกิดจึงมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ว่ายานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิเลสสงบไปแล้วตราบใดที่กิเลสยังไม่สงบไปยานคือความรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากส่วนสัมพันธ์กันนี้เองทําให้ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะในทางศาสนาไม่ว่าในชั้นใดก็ตามอยู่ในจุดที่ไม่สับสนในการประพฤติปฏิบัติไม่สับสนในด้านปริยัติและไม่สับสนในด้านความคิดเหตุผลต่างๆที่ใช้ลงไปเพราะถ้าหากว่ามาตรฐานทางใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ความรู้ต่างๆเกิดไปอยู่อีกระดับหนึ่งความสับสนจนออกไปนอกรูนอกทางดังกล่าวแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเรื่องของสมมติสัจจะกับปรมาติสัจจะต้องเข้าใจเอาไว้ว่าไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะที่จริงการเรียนรู้ปรมัติสัจจะนั้นก็คือเรียนจากสมมติสัจจะนั่นเองและเมื่อรู้เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงที่เป็นปรมาาัติสัจจะแล้วก็ไม่ละทิ้งส่วนที่เป็นสมมติสัจจะทั้งหลาย คือยอมรับต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เราเรียกว่าโลกาอวัตคือคล้อยตามโลกไปนี้เป็นหลักเป็นประการสำคัญดังนั้นธรรมะในทางปรัชญาศาสนาจึงมีชั้นศีลชั้นศีลที่จริงก็เป็นเรื่องของสมมติสั จ, จเป็นอันมากกนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนจารีตวัดปฏิบัติต่งตางๆก็เป็นเรื่องของสมมติสั จ, จแต่ท่านผู้เข้าถึงความเข้าถึงปรัมติสัจจะที่แท้จริง กับปฏิบัติได้สมบูรณ์ดียิ่งในส่วนที่เป็นสมมติสัจจะทใไมท่านสามารถอยู่ในโลกอย่างเข้าถึงเหตุผลและความจริงของสิ่งเหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็ไม่คล่องไม่ติดไม่ยึดไม่ถือในอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นการเข้าใจหลักประพฤติปฏิบัติในส่วนนี้จึงถือว่าเป็นฐานแม้ในชั้นของปริยัติถ้าหากว่า เกิดสับสนในด้านความคิดก็จะเข้าไปในลักษณะที่อย่างคนผู้หนึ่งที่ไปฟังพระท่านเทศเรื่องของอนัตตาที่แปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราเป็นตนแลในที่สุดก็ไปหยิบของของเขามาโดยถือว่าไม่ใช่ของของเขานี่ก็เป็นการใช้เหตุผลในลักษณะที่ไม่ยุติด้วยธรรมะไม่ยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ พื้นฐานทางใจที่ปฏิบัติไปจึงจะต้องสัมพันธ์กับธรรมะดังกล่าวแล้วดันั้นการแส ด, แดงธรรมะในชั้นต่างๆจึงเป็นเรื่องของปริยัติแต่ว่าการปฏิบัติจะเดินไปถึงหรือไม่นั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นมีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างในตอนเริ่มต้นกําหนดดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นถ้าหากสติยังไม่ตั้งมั่น การกำหนดดูกองลมทั้งหลายก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเพราะเป็นการขว่คว้าสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะเมื่อการกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปข ว, ขว่คว้าไอการสงบระงับของลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าสงบระงับแก่ก็สงบระงับของแก่เองถ้ายังไม่สงบระงับไปอยากไปต้องการให้เกิดสงบระงับหรือให้ต้องการเห็นภกนิมิตอะไรต่าง สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นทำไมจึงไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่านั่นคือกามฉันนั่นคือตัวนิวรณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางจิตใจและเป็นตัวทําลายสมาธิภาษาใดที่ยังมีกามฉันอยู่ตัวสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสมาธิปรากฏกามฉันก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันเรื่องของปริยัติกค็คือเรื่องปริยัติที่จะต้องศึกษาไป แต่การปฏิบัติจะต้องผ่านขั้นตอนโดยนิย่าที่กล่าวแล้วแม้ในชั้นของการพิพจารณาโดยนิย่ที่กล่าวแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าสามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นความเกิดความดับได้ก็พิจารณาไปแล้วความรู้ความเห็นที่ท่านเรียกว่าสมัคปัญญาคือปัญญาเห็นชอบก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้น แล้ในที่สุดผู้ปฏิบัติก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวิญญาณคือความรู้ผุดขึ้นภายในใจของท่านว่าแท้ที่จริงนี้แ ท, ท้จริงแล้วกายนี้ก็สักแต่ว่ากายแต่นั่นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ประการใดท่านก็ปล่อยวางความยึดติดไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่กัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกัดเคือง ไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาและในขณะเดียวกันนั่นเองท่านก็ยังปฏิบัติตามคล้อยตามโลกกสสมมติโลกกบันญัดการกำหนดหมายของชาวโลกโวหารของชาวโลกอยู่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่โลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียนั่นคือผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลาดับ จะไม่มีปัญหาแต่ประการใดทั้งสิ้นข้อสําคัญว่าเรื่องของปริยัติก็คือเรื่องปริยัติเป็นการเรียงแผนที่แต่เราเดินไปถึงจุดใดก็จะต้องพยายามอยู่ในจุดนั้นอยา่าไปไขว่คว้าในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความสงบที่มุ่งมา่นปรารถนาจากการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่บังเกิดขึ้นโดยในยะที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป